เพราะฉะนั้นบุคคลที่บางทีก็บอกคิดว่าเอา้าถ้าหากว่าเราบาปอากุศลธรรมเศร้าหมองเนี่ยไปอยู่โคนไม้สิไปอยู่ในที่แจ้งสิจะกําจัดอกุศลธรรมอันชั่วร้ายได้ถ้าหากว่าทําอย่างนั้นได้จริงเนี่ยนะไม่ต้องสร้างบ้านสร้างเรือนกันอยู่ลยแล้วเนี่ยนะไปอยู่โคนไม้บังไปอยู่กลางแจ้งบังจะได้อะไรจะได้กําจัดอกุศลธรรมอันชั่วร้ายเศร้าหมอง12อย่างหรือถ้าหากว่าสําเร็จอย่างนี้เพราะการทรมานตัวก็จะมีการทรมานไม่ใช่น้อยเพื่อให้สําเร็จ ให้สําเร็จผลตามความปรารถนาหรืออยู่ด้วยการบริโภคอาหารกําจัดอาหารว่าอาหารต้องเป็นอย่งงางนั้นต้องเป็นอย่างนี้จะต้องบริโภควันละเท่านั้นวันละเท่านี้กี่วันบริโภคทีหนึ่งเป็นต้นอ่ะถ้าหากว่าตัวอาหารทําให้สะอาดบริสุทธิ์จริงใจก็กําจัดราคะโทสะโมหะได้ก็ต้องมีข้อปฏิบัติเหล่านี้แพร่หลายอยู่ในโลกหรือว่าท่องบทท่องจําเวทมนต์คาถาอาคมเป็นต้นได้มากแล้วก็จะ ก, กําจัด ราคาโทสะโมหะได้มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรือจะกล้าวผมทำตัวผมเป็นกระเซิงไม่วีไ ม, ไม่ไม่อะไรทั้งนั้นแหละแล้วจะได้ดิบได้ดีกาจัดอภิชาพยาบาทละความโกรธผูกโกรธลบหลู่ตีเสมอแข่งดีริษยาตณีโอ้อวดมีมายาปราถนาด้วยจิตที่ชั่วแล้วก็ละความเห็นผิดได้ก็คงมีการให้กระทาพฤติกรรมเหล่านี้มาตั้งแต่เกิดแล้วบอกคลอดออกมาปั๊บก็จับ ทำเป็นแบบนี้หมดจะได้เป็นสมณะหมดจะได้สงบระงับดับกิเลสหมดแล้วข้อปฏิบัติอันนี้คงจะได้ดีดด time, เพราะเป็นที่ยอมรับนับถือมากแต่จริงๆแล้วไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้สําเร็จความเป็นส ม, มณะเพียงแต่นุ่งห่มผ้าสังขารติไม่ได้สําเร็จความเป็นส ม, มณะ <S 2> <S 2> <S 2> <comunque S 1> เพียงแต่เป็นชีบเปลยไม่นุ่งลมไม่นุ่งผ้าไม่ได้สําเร็จความเป็นสมณะเพราะทําตัวหมักหมมด้วยกิ เหงื่อใครไม่ได้สําเร็จความเป็นสมณะด้วยการลงอาบน้ําวันละหลายครั้งไม่ได้สําเร็จความเป็นสมณะเพราะอยู่ใต้ต้นไม้อยู่โคนไม้ไม่ได้สําเร็จความเป็นสมณะเพราะอยู่กลางแจ้งเรียกว่าไร้ที่มุงที่บังเนี่ยนะไม่ได้สําเร็จความเป็นสมณะเพราะการอบกายทรมานกายไม่ได้สําเร็จความเป็นสมณะเพราะบริโภคอาหารเป็นเว็บบางครั้งบางคราวหรือไม่ได้สําเร็จความเป็นสมณะเพราะท่องบนทรงจําคัมภีร์พระเวทเป็นต้นแล้วก็ไม่ได้เป็นสมณะเพราะ กล้าวผมแต่งผมเนี่ยนะอบผมวีผมทําผมให้เป็นกระเซิงเป็นต้นมันก็ไม่ได้สําเร็จทําให้เป็นสมณะอะไรไปได้หรอกเพราะพระองค์เห็นแล้วว่าผู้ที่ครองผ้าสังฆาติแล้วจิตใจภายในเศร้าหมองขนาดไหนถือเพศเป็นชีปเปลือยแล้วสภาพจิตนั้นเป็นอย่างไรหมักหมมด้วยเหงื่อใครเป็นต้นแล้วสภาพในใจทั้งหลายเป็นอย่างไรลงอาบน้ํามาล้วหลายครั้งอแต่ใจเป็นอย่างไร อยู่ใต้ต้นไม้เป็นประจำเนืองนิดแล้วสภาพจิตเป็นอย่างไรอยู่ในที่แจ้งตลอดเวลาแล้วสภาพจิตเป็นยังไงทรมานกายทากายให้ทุกข์ให้ยากให้ลาบากแล้วใจเป็นอย่างไรบริโภคอาหารเป็นครั้งเป็นคราวแล้วสภาพจิตเป็นยังไงท่องบนทรงจาอะไรได้เยอะแล้วจิตเป็นยังไงเนี่ยนะสภาพถึงจะทรงผมจะตบแต่งองค์เป็นอย่างไรเอาใจเป็นประมาณใจมีอภิชามากไหม ไอนะ้พฤติกรรมทั้งหลายเหล่านั้นเครื่องแต่งองค์ทรงตัวเนี่ยนะด้วยนับตั้งแต่เครื่องนุ่งเครื่องห่มการประพฤติวัดทั้งหลายเหล่านั้นะ่ะไม่ได้ทำให้กาจัดราคะโทสะโมหะไม่ได้กาจัดความโกรธความผูกโกรธความลบลูตีเสมอแข่งดีถือตัวริษยาตรีโอ้อวดมีมายาความปรารถนาที่ชั่วร้ายและเป็นมิจฉาทิฏฐิออกไปได้เลยเพราะพระองค์จึงไม่ยอมรับว่า ความเป็นสมณะด้วยเพียงแค่ครองผ้าสังขาติเป็นต้นเหล่านั้นเลยทีนี้ถามว่าแล้วข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นผู้ปฏิบัติชอบสมควรแก่ความเป็นสมณะทํอยังไงจึงจะสำเร็จความเป็นสมณะไอความเป็นสมณะคือกำจัดบาปอกุศรธรลธ ร, รรมทั้งหลายสงบระงับบาปอกุศลธรรมทั้งหลายข้อปฏิบัติชอบที่คู่ควรแก่ความเป็นสมณะคือ รู้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีอภิชามากกําจัดละอภิชาไปได้ใช้คำว่าละนะถ้ามีอภิชาแล้วละอภิชาละด้วยแต่ทางขาประหารวิคัมพนะประหารสมุเฉทประหารปฏิปัสสัที่ประหารนิสรณะประหารได้นั่นแหละจึงจะสมควรแก่ความเป็น สมณะตัวเองมีใจเป็นพยาบาทอยู่ถูกพยาบาทครอบงำแล้วจะละพยาบาทด้วยต่ทางค้ า, ป, ารประหารวิคัมพระนาประหารสมุเชเฉทบประหารวิปติปัสสติประปหารได้อ น, นั้นแหละเรียกว่าเป็นสมณะแท้หมายคืาว่าถ้าเป็นเป็นสมณะแท้ก็คือว่าตัวเองเนี่ยมีใจเป็นอภิชามีใจถูกความโลภครอบงำแล้วเจริญศีลสมถวิปัสสนามักผลนิพพานเพื่อกาจัดอภิชา มีจิตเป็นพยาบาทก็เจริญศีลสมาธิปัญญามักผลเพื่อทําให้แจ้งพระนิพพานเพื่อละพยาบาทตัวเองเป็นผู้ที่มีมักเป็นคนมักโกรธอยู่เจริญศีลสมาธิเจริญปัญญาเพื่อมักผลนิพพานทําพระนิพพานให้แจ้งอันนั้นแหละเรียกว่าความเป็นสมณะได้เนี่ยนะเพราะละความโกรธเหล่านั้นออกไปได้หรือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ผูกโกรธเนี่ยนะผูกใจเจ็บผูกใจโกรธอยู่ เจริญศีลสมาธิมักผลเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วละความโกรธออกไปได้ตัวเนียเป็นคนที่มักลบหลู่ตีเสมอคนอื่นเนี่ยนะก็ละความลบหลู่เหล่านั้นเนี่ยนะละด้วยศีลสมถาวิปั ส, สนามักผลเพื่อทำนิพพานให้แจ้งออกไปได้นี่แหละจึงจะสมควรแก่ความเป็นสมณะตัวเองเป็นผู้ที่มักถือถือแข็งดีเนี่ยนะเป็นคนที่แข็งดียกตนเทียมคนอื่นแข่ง มองคนอื่นเป็นคู่แข่งไปหมดเลยเนี่ยนะด้วยอำนาจมานะเป็นต้นเนี่ยแล้วปฏิบัติเจริญอยู่ในศีลสมถะวิปัสสนาเพื่อบรร ล, ลุมรคผลทมพระนิพพานให้แจ้งเพื่อกาจัดความแข่งดีออกไปได้เป็นผู้มริษยาละความริษยาด้วยศีลสมาธิวิปัสนามรคผลเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นผู้มีความตรนีละด้วยการเจริญศีลสมาธิวิปัสนา เพื่อทำให้แจ้งพระนิพพานเพราะบรุมรรคผลเนี่ยนะสามารถที่จะหยัดความตรณีออกไปได้เป็นผู้ที่มกโค้อวด ละความโอ้อวดเนี่ยนะด้วยการเจริญศีลสมาธิสมถะวิปัสนามรรคผลเพื่อละความโอ้อวดออกไปได้เป็นคนที่มีมายาเจ้าเล่และหลอกลวงเนี่ยนะเล่เหลี่ยมชั้นเชิงเยอะมากเนี่ยนะก็เจริญศีลสมาธิวิปัสนาบรรลุมรรคผลทาพระนิพพานให้แจ้งเพื่อละมายาออกไปได้ตัวเองมีจิตใจที่ปรารถนาด้วยเจตนาที่เป็นบาปมีราคะเป็นต้น ละความปรารถนาที่ชั่วช้าเหล่านั้นออกไปได้เป็นผู้ที่มีความเห็นผิดเป็นอุชเช ท, ทิติเป็นสัสตตทิติปฏิบัติอยู่ในศีลสมถาวิปัสนาเพื่อเจริญอริยมรรคทำให้แจ้งอริยผลบรรลุพระนิพพานเพื่อกําจัดความเห็นผิดออกไปได้เพราะละเสียได้ซึ่งกิเลสความเศร้ามองทั้ง12บสองอย่างนี้ที่เป็นมนทินมนทินนีแ่แปลว่า เศร้าหมองเป็นสิ่งที่มีโทษที่อยู่ในภายในเป็นของที่ย้อมใจเหมือนน้ำฝาดของสมณะเหมือนเป็นน้ำฝาดของความเป็นสมณะเนี่ยเป็นกสาวะเป็นของฝาดเนี่ยนะและอักุศลทั้งสิบสองอย่างเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดในอบายมีวิบากผลที่จะต้องเสวยในอบายทุกขติเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ปฏิบัติขจัดอกุสนธรรมทั้งบสองอย่างเหล่านี้ได้เรียกว่า ปฏิบัติชอบสมควรแก่ความเป็นสมณะเพราะเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อกําจัดอภิชาปฏิบัติเพื่อละพยาบาทปฏิบัติเพื่อละความโกรธความถือผูกโกรธความลบลู่ความตีเสมอความริษยาความตนีความโอวดความมีมายาความปรารถนาชั่วปฏิบัติเพื่อกําจัดความเห็นผิดไอการปฏิบัติเพื่อกําจัดอกุศลธรรมอันชั่วช้าเศร้ามองทั้งสิบสองอย่างที่กล่าวไปนั่นแหละคือข้อปฏิบัติเพื่อความเป็น สมณะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องเนี่ยนะปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดคือปฏิบัติเพื่อกําจัดอกุศลทั้งสิบสองอย่างเหล่านี้แล้วพิจารณาเห็นตนว่าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เนี่ยนะบริสุทธิ์จากอะไรบริสุทธิ์จากอภิชาบริสุทธิ์จากความพยาบาทบริสุทธิ์จากความโกรธบริสุทธิ์จากการผูกโกรธผูกใจเจ็บ บริสุทธิ์จากความลบลูบริสุทธิ์จากความตีเสมอแข่งดีริษยาความตนีความโอ้โอวดบริสุทธิ์จากความมีมายาความปรารถนาที่ด้วยจิตใจที่ชั่วช้ากำจัดความเห็นผิดออกไปได้เมื่อเห็นความบริสุทธิ์ที่พ้นจากอากุศลธรรมอย่างนี้แล้วพิจารณาเห็นตนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์พ้นจากบาปอากุศลธรรมทั้งหมดนี้อยู่ปราโมทคือความบันเทิงใจก็เกิดขึ้นเนี่ยนะ ก็คือเปรียบเหมือนคนที่อะไรนะไม่เห็นพิษภัยทุกโทษเลยเหมือนกับสารวจตรวจดูสุขภาพแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะเสียหายนิดเดียวก็ไม่มีเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ตรวจดูสุขภาพจิตเป็นต้นแล้วไม่มีความเสียหายเลวร้ายอะไรเลยปราโมทความปรับปลื่มใจความเรียกว่าปลื่มใจก็จะเกิดขึ้นนะนะก็เกิดความปลื้มใจดีใจเนี่ยนะโสมนัสปติปราโมทอยู่เสมอ เมื่อปราโมทบันเทิงใจอย่างนี้ปีติก็เกิดเนี่ยนะเกิดความเอิบอิ่มใจเนี่ยนะเกิดอาการที่เรียกว่าขนลุกขนพองเป็นต้นเราอุเพงคาปีติภรณาปีติคุตกาปีติคณิกาปีติเป็นต้นนะพวกปีติทั้งหลายเนี่ยนะความเอิบอิ่มใจความสบายใจความผ่ อ, องใสแห่งใจก็จะเจริญขึ้นเมื่อใจประกอบด้วยปีติอย่างนี้แล้วนามกายทั้งหลายก็สงบเวทนาก็สงบ นะภาษะก็สงบสัญญาเจตนาเป็นต้นก็สงบศรัทธาก็เจริญวิริยะสติเป็นต้นก็เจริญเมื่อนา ม, มากายสงบระงับความกวนกวายอย่างนี้ก็ได้รับความสุขทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยนะกลางายเป็นผู้ที่มีความเสวยสุขเมื่อสุขอย่างนี้แล้วจิตก็ตั้งมัน่นเพราะบุคคลผู้มีความสุขอย่างนี้เนี่ยนะน้อมไปเจริญคุณธรรมเหล่าใดก็สําเร็จจิตใจก็ตั้งมัน่นเมื่อใจตั้งมั่นอย่างนี้แล้วก็มีใจประกอบไปด้วย เมตตาเนี่ยนะนะมีใจประกอบไปด้วยเมตตาหวังประโยชน์หวังความสุขหวังความเกื้อกูลแก่สัตว์าษาทั้งหลายอย่างที่เราสวดว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดก็แผ่เมตตาภาวนาเนี่ยนะเป็นไปในหมู่สัตว์ที่แผ่แผไปในหมู่สัตว์ไม่มีประมาณ น, นะนะตลอดทั่วทุกทิศเนี่ยนะแผ่เมตตาเนี่ยนะ ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเทิดแผ่อย่างนี้ไปในทิศที่หนึ่ง อันนะแผ่ไปในทิศที่สองแผ่ไปในทิศที่สแผ่ไปในทิศที่4มีใจประกอบไปด้วยเมตตาหวังประโยชน์หวังความสุขหวังความเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเธอเนี่ยนะก็เจริญเมตตาอย่างนี้เนี่ยนะอ่าเป็นเป็นเมตตาที่ภัยบูนเป็นมหัคตะ มีสัตว์ไม่มีประมาณเป็นอารมณ์เป็นใจที่ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแพรเมตตาอย่างเนี้ยในโลกในโลกที่มีสัตว์ทั้งปวงเป็นผู้มีใจเอบโอบอ้อมไปด้วยเมตตาเสมอในสัตว์ทั้งหลายทั้งในทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางอยู่คือมีใจประกอบไปด้วยเมตตาคือเนื่องจากว่าเบื้องแรกเนี่ยนะ เบื้องแรกนั้นอะชัระบาบปอกุศสธรรมอันเศร้าหมองที่อยู่ในภายในกําจัดความเศร้าหมองคืออภิชาพยาบาทนะความโกรธความผูกโกรธความลบลู่ความตีเสมอความแข็งดีความริษยาความตนีความโอ้อวดความมีมายาปราธนาชั่วช้าเป็นเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดเมื่อชัระจิตอย่างนี้ให้เกิดอ่ปราโมตตีติปัสสะทิสมาธิเนี่ยนะ อ่เป็นสความสุขแล้วก็เป็นสมาธิแต่เป็นสมาธิที่เป็นไปกับเมตตาเป็นสมาธิที่แผ่อ่แผ่เมตตาเนี่ยนะไปในสัตว์ทั้งปวงอะนะ แผ่ไปในสัตว์ทั้งปวงว่าเช่นขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันเลยรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดเนี่ยนะหวังแต่ประโยชน์หวังแต่ความสุขแผ่ไปในทิศเบื้องบนเบื้องต่ําเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูแล้วก็เจริญเมตตาภาวนายอย่างเงี้ย ทำอนุภาพของเมตตาให้เติบโตขึ้นแรกแรกเมตตาอาจจะเป็นเมตตาที่เล็กน้อยเปรียบเหมือนแสงสว่างที่เล็กน้อยนะต่อไปก็ค่อยๆเพิ่มแสงสว่างชั้นใดก็เพิ่มเมตตาชั้นนั้นเนี่ยนะเพิ่มเมตตาเรียกว่าเจริญเมตตาไม่มีเวรไม่มีไม่มีศัตรูไปในโลกไปในทั่วทุกทิศมีจิตอยู่ด้วยเมตตาปรารถนาแต่ความสุขปรารถนาแต่ความเจริญปรารถนาความปลอดภัยต่อ สรพพสัพสตทั้งหลายอยู่เนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีใจประกอบไปด้วยเมตตาหรือไม่ก็มีใจประกอบไปด้วยกรุณาหวังความปลดเปลื้องนะปลดเปลื้องทุกข์จากสัตว์ทั้งหลายขอสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้พ้นจากโสกะปริเทวทุกขโทมนัดและอุปายาเถิดเนี่ยนะขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเธอสัพพทุกขาประมุญจันตตเนี่ยนะ ขอให้พ้นจากทุกทั้งปวงขอให้พ้นจากทุกกายทุกใจขอให้พ้นจากความคับแค้นใจพ้นจากความลำบากกายและก็ลำบากใจเนี่ยนะพ้นจากอาอาเกว่าเพศภัยอันตรายทั้งปวง ปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงปราศจากโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตมีใจประกอบไปด้วยกรุณาหวังที่จะปลดเปลื้องให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเนยนะเจริญเมตต์กรุณาอันนี้ไปเพื่อให้สัตว์พ้นทุกข์ในทั่วทุกทิศนะมีใจเนี่ยนะประกอบไปด้วยกรุณาอย่างเนี้ยแผ่ไปในทิศ เบื้องทิศ ท, ที่หนึ่งก็คือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบ น, บนเบื้องล่าง น, นะเป็นใจที่ประกอบด้วยการุณาทีท่พอรบูนภัยบูนเจริญเติบโตเต็มที่ไม่มีเวรไม่มีศัตรูเนี่ยนะไม่เบียดเบียนแล้วก็เจริญการุณาอันเนี้ยไปในโลกทั้งปวง